มีเวลาอีกยังไม่พอง่วงดอกขนาดนี้น้องภาวนาอีกสักพักหนึ่งน่อยกับพระตัวนี้นับดูเท่าไหร่เนี่ยหน่อยกับพระได้ไหมฮะนับดูถูกนับดูเท่าไหร่นั่นนะ อ๋าทำไมหายไปหายไปเงั้นอ๋อพระทำไมเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นยอมทำไมหายไปหายไปส น, นเป็นน้ำตูนเนี่ยแหละ <c oughs> บอกแมมแผ่โลกเลยรูกเก่าก็หมดไปหมดไปสำคัญที่เราเนี่ยแหละ สำคที่หัวใจของเรานี่ยแหละหัวใจของใครของใครก็คือหัวใจของเขามันไม่ใช่หัวใจของเราใครระลึกรู้สึกตัวได้เหมัวใจของเราเรายังต้องการคุณงามความดีคุณธรรมที่เราจะพึงประพฤติปฏิบัติให้เป็นเนื้อเป็นหนังเป็นสมบัติ ในหัวใจของเราหัวใจของใครก็ของเราของเรานี่ยแหละของเขาของเขาของเราของเราใครทำก็ได้ใครไม่ทำก็ไม่ได้แต่สาคัญว่าเรานี่แหละเราทำก็ได้เราไม่ทำก็ไม่ได้เราก็รู้ไม่ได้ว่าเขาไม่ทำเขาก็มีแต่ทำกับทำกับทำแต่เราทำไม่ทำทำไม่ทำทั้งทำทั้งไม่ทำมันจะไปตามหลังเขาทันเหรอ ตามหลังไม่ทันดอกตามพยามมายราชไม่ทันส mm ักนยหนึ่งมัมันก็เอาไปแล้วพยาหมาุราชสักหน่อยหนึ่งก็เอาไปแล้วตามมันไม่ทันตามมันไม่ทันไม่เห็นเงามันไม่เห็นหลังมันไม่เห็นระยะไม่เห็นเวลาไม่เห็นสัญลักษณ์ไม่เห็นธรรมทูตเทวทูต ยมมาทูตไม่เห็นไม่พิจรารณาไม่เห็นถ้ารู้จักยมมาทูตมันก็พอจะมองเห็นมันบ้างความแก่ความเจ็บความตายนี่ยแหละยมมาทูตรู้จักมอยมมาทูตตัวเราตัวท่านเนี่ยแหละพยามยมส่งทูตมาเยี่ยนทุกวันทุกวันทุกวันทุกวัน ไม่แก่ก็เจ็บได้ไม่แก่ก็ตายได้นอกจากนั้นแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บแล้วก็ต้องตายไม่แก่ก็เจ็บได้ไม่แก่ก็ตายได้จากนั้นแล้วความแก่มันก็นไล่หลังให้ไป ยังไม่เจ็บเจ็บยังไม่ตายความแก่ก็ไล่หลังเข้าไปเจ็บยังไม่ถึงขั้นตายความแกมก็ไล่หลังเข้าไปไล่เข้าไปไล่เข้าไปไล่กขไปหมดเข้าไปหมดเข้าไปหมดเข้าไปเนื้อหนังมังสานี่มันก็เหี่ยวเข้าไปห่อเข้าไปกำลังวังชาก็อ่อนถอยลงไปสติปัญญาก็เลือนรางจางหายไปงบเงินชักหลงลืม เดินหน้าไปสองสก้ากับถอยหลังสองเก้าเดินหน้าไปสเก้ากับถอยหลังสองก้าเดินหน้าไปสองเก้ากับเซขวา1เก้าเดินหน้าไปสองสก้ากับเซซ้าย1เก้ามันก็อยูอย่างนี้แหละเราดูถึงภาวะต่อ น, นั้นแล้วเป็นยังไงนี่แหละฮะนี่แหล ะ, หละคือพิษสงของย ม, มทูต มันมาตามไปแล้วพวกเราพวกท่านเนี่ยยมมาทุด่ดตามได้หมดตามไปมันไล่ความชรามันไล่หลังเข้าไปเรื่อยไลเ่ไ เ, ไลเข้าไปเรื่อยไล่เข้ดดาไปเรื่อยเพราะฉะนพระพุทธเจ้าท่านจึงเบื่อหนายเห็นว่าภพชาติของพระองค์เนี่ยเกิดตายเกิดตายเกิดตายเกิดตา ย, ตายโอ๊ยเป็นกับกับเป็นวิวัตรกับพิจาราย้อนไปเท่าไหร่ก็ไม่จบพิจาาย้อนไปเท่าไหร่ก็ไม่หมด เบื่อหน่ายในพบชาติของตัวเองอะไรมีแต่เกิดก <beneath beneath, S 2> ับตายเกิดก no ับตายเกิดกับตายไม่รู้จะจบมันน่าเบื่อหน่ายและเกินนี่วันที่บองจะตัดสู้นะปฐมยามมัชขีมยามยามทมกลางก็เห็นพบชาติของสัตว์เกิดตายเกิดตายเกิดตายเกิดตายเกิดที่นี่ตายที่นี่ก็เกิดที่นุ่นตายที่นุ่นมาเกิดที่นี่ตายโดยผลกรรมนี่ไปเกิดเป็นอนุน ตายจากไปเกิดเป็นนี่ไปเกิดเป็นนู้นด้วยผลกรรมอนุนผลกรรมอนี้ให้ไปเกิดเป็นอนนั้น<ๆ>เกิดตายเกิดตายเกิดตายอยู่อ้าวพบชาติของสัตว์กับเช่นเดียวกันกับเราหนออะไรมีแต่เกิดกับตายมีแต่เกิดกับตายพี่จะนาหมุนย้อนหลังเลยไงพี่จะนาหมุนย้อนหลังเนี่ยหมุนหยอกหมุนย้อนเข้าไปในหัว้ใจอะไรเกิดตายกันแน่วะ พิจรณามุนอยู่นั่นแหละไล่ความไล่ความตายอะไรตายร่างกายตายร่างกายมาอย่างไหนร่างกายมาจากเกิดเกิดมาอย่างไหนมาจากมีที่เกิดมีที่เกิดถึงไปเกิดทําไมถึงมีที่เกิดเพราะมันมีอุปาทานการยึดการถือจึงมีที่เกิดเมื่อมีที่เกิดแล้วก็ต้องไปเกิดกรรมนั่นแหละมันเป็นตัวเร็งมันเป็นตัวพลัง ที่จะเน้นให้เราไปเกิดไล่ไปไล่ไปไล่ไปอูปาทานมาจากไหนไล่เข้าไปเลยย้อนเข้าไปเลยไม่ย้อนไปที่ไหนนะย้อนมาที่ใจเลยย้อนก็มาที่ใจไล่ก็มาที่ใจอปาทานเนี่ยมันมาจากไหนโอ้ตันหาความอยากเพราะเราจะทํานั่นจะทํานี้จะยึดนู้นจะยึดนี้มันก็ยึดตามความอยาก ความอยากมีที่ไหนความอยากมีที่กายบ้างมีที่ใจบ้างแต่ต้นต่อที่แท้จริงของมันก็อยู่ที่ใจความอยากคืออะไรคือตันหานี่ตัวนี้แหละเป็นยางเหนียวเป็นยอดอ่อนของพืชเป็นยางเหนียวของพืชเป็นเชื้อเป็นหน่อต่อหนงเป็นยางของวัตตะสงสารอยู่ตรงนี้ความอยากความอยากมาจากไหนความอยากมันก็มาจากสิ่งที่เป็น ชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องมือของมันนะเกิดจากการสัมผัสสัมพันธ์ระหว่างอายิยตนาภายในอยิยตนาภายนอกมันสัมผัสกันเหมือนกับไฟเหมือนกับเหล็กกับหินมันสัมผัสกันนั่นแหละเหล็กกับหินมันสัมผัสกันเหล็กกับหินเราดูไปที่ไหนเราดูไปที่ไฟแช็คทุกวันเนี่ยเราดูไปเหล็กกับหินมันมีเหล็กที่เป็นเฟืองๆอ่ะแล้วก็มีหินหนินเป็นหินเหล็กกัน หินเห็กไฟเขาจะเห็นเหล็กไ ฟ, ไกไฟพอมันสัมผัสกันคือเอามือมือเราหมุนหมุนเช็ดมันสัมผัสกันปั๊บมันเกิดประกายไฟเรหมุนเช็คมันเกิดประกายไฟเนี่ยในคำว่าหมุนเช็ดเกิดประกายไฟนี่เหมือนกับอายตนะัยในอายตนะไยนอกมันสัมผัสกันพอสัมผัสกันปับ๊บเกิดตันหา เ, เกิดความอยาก สัมผัสไปปั๊บเกิดยินดีสัมผัสไปปั๊บเกิดยินร้ายมันสปารกันเนี่ยเกิดยินดีมันเกิดยินร้ายเกิดยินดีก็คืออุปาทานเกิดยินร้ายก็คืออุปาทานมันรายงานไม่ตรงตามหลักความเป็นจริงกิเลสมันไม่เคยรายงานให้ตรงตามความเป็นจริงมันรายงานหลอกลวงเราทุกระยะทุกเวลาอ่ามันยินดีมันก็ยึด การยึดนี่แหละท่านเรียกว่าอุปาทานอุปาทานยึดเอายึดเอาตัวเอาตนยึดเอาคนยึดเอาเรายึดเอาเขายึดสมบัติว่าของเรายึดสมบัติว่าของเขาเมื่อมีการยึดแล้วก็มีการแสวงหาเมื่อมีการยึดแล้วก็มีการตะล่อมเข้ามากอบเข้ามาโกยเข้ามาตะล่อมเข้ามาแล้วก็มีการแสวงหาการแสวงหาเนี่ยทุกขนาดไหนพวกเราดูเถพวกเราทรรหากินแสวงหานี่ทุกหรือไม่ทุก ดูแต่ไปดำนานะนะนะทุกอย่างลาบากขนาดไหนนะับตั้งแต่เริ่มเตรียมตัวลงนานะั่ะเริ่มไถเริ่มคลาดเริ่มวานกลา้าถอนปักดำต้องใช้เรียวแรงขั้นะลุยขี้ตมขี้โคลนทุกพระมากขนาดไหนออกมาเป็นรวงเป็นรวงเป็นต้นบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้บางทีก็ดำแล้วก็น้ําก็ท่วมตายเน่าที่ไปหมด บางทีน้ำไม่ท่วมกับน้ำแรงน้ำแรงน้ำไม่พอก็ตายก็ไม่ได้ข้าวอีกก็จะได้ข้าวมาเห็นไหมการทํามากินทำบางทีทําไปลงทุนมากไปโอ้ยไม่พอคุ้มทุนลงพูดทุนไปเท่าไรก็ไม่พอคุ้มทุนไม่พอที่จะเหลือกินเพื่อที่จะประทังเรียวแรงไว้ปีต่อไปต้องหาทุกยากลําบากหานี้ไม่พอเลยไปหานุน่นหาอันไหนก็ตาม คนในโลกนี้มันมีเป็นจำนวนมากเราก็หาเขาก็หาในที่สุดก็แย่งกันหาใครมีกําลังมากก็ได้เปรียบใครมีความรู้มากก็ได้เปรียบใครมีอํานาจมากก็ได้เปรียบใครมียศมีเกียรติมากก็ได้เปรียบบางคนไม่แสวงหาไปตามเส้นสายสายทางแย่งการทํามหากินก็แสวงหาทางลัดชกลัดคดโกง ชกลักคตโกองช่อฉนเอาเพื่อให้มันได้ง่ายๆขึ้นอ่าพอได้ก็เอาพอคตก็โคตพองอก็งอพอโกหกมดเทจเพื่อให้ได้ห้าได้สิบก็เอาพอบิดพอเบี้ยวได้ก็เอาพอโกงได้บ้างก็เอาเพราะอะไรเพราะมันเหน็ดมันเหนื่อยในการแสวงหาทรัพย์กว่าจะได้พอมีพออยู่พอกินพอใช้พ่อสวดนี่คือกองทุกข์ต้องหลายต้งวงตามมา อุปาทานสาเหตุของมันมาจากอุปาทานนะตายไปแล้วก็ไปตามบุญตามกรรมบุญกรรมเป็นเครื่องชี้บ่งบอกว่าเราจะมีพลังไปยิ่งไปได้สูงเท่าไหร่ไ ป, ไปได้ต่ําเท่าไหร่บางคนด้วยอํานาจของอกุศลกรรมแทนที่มันจะไปที่สูงลงจมคิดคดินนั่นตกต่ําไปสู่อบายภูมิเป็นเป็นเปรต เ, เ, เ, เป็นสันนรกเป็นอสุรกาย ความเป็นอยู่ทุกขยากลําบากทรมานกว่าพบชาติที่เกิดเป็นมนุษย์อีกนี่มันไปจากความประพฤติที่ไม่ดีความประพฤติแต่ละอย่างแต่ละอย่างก็คือการสร้างกรรมให้กับตัวเองนั่นแหละที่เรียกว่าความประพฤติถ้าความประพฤติไปตามระบบระบอบระเบียบไปตามขนบธรรมเนียมประเพณีตามศีลตามธรรมความประพฤติอันนี้เป็นความประพฤติที่ชอบด้วยศีลด้วยธรรมมันก็ไม่มีผลให้เราได้ทุกได้ยากได้ลําบากก็พอเป็นพอไปพออยู่ ไม่มีโทษไม่มีอาญาไม่มีคดีไม่มีเรื่องราวไม่มีอะไรสมาวกินเป็นปกติสุขพร้อมกับเข่าวัดเข้าววามีศีลมีธรรมมีความฉลาดในเรื่ความสงบในรื่องความสุขในรื่องความชุ่มเย็นมีอยู่ภายในหัวใจบ้างเออยังพอมีอาหารใจประทังรองหัวใจให้ดีให้ได้หายใจ อิ่มน้ำสำํารานในหัวใจของเราบ้างแต่ถ้าตรงกันข้ามแล้วก็มีตะทุกับทุกทุกับทุกทุตายแล้วก็ไปเกิดเพราะอะไรเพราะแรงของอุปาทานนั้นมันพาพาเราไปเกิดพอจะไปเกิดในอบายมันก็พาไปอบายอพอจะไปเกิดเป็นสุกติเป็นมนุษย์สุกติมนุษย์สุกติสวรรค์มันก็ไปสู่สุกติได้ไม่ถึงขนาดนั้นก็น ทำครึ่งๆ ก, กลางๆก็มาเกิดเป็นมนุษย์ทุกอย่างลำบากบ้างสุขบ้างทุกบ้างทุกบ้างสุขบ้างสุขบ้างทุกบ้างกระทุกทรมานอยู่อย่างนี้แหละชั่วระยะหนึ่งวัยหนุ่มวัยแก่วัยเท่าวัยชาราบางทีก็ยังไม่ถึงวัยหนุ่มวัยแก่วัยเท่าวัยชาราตด้ก็จบไปวงจรชีวิตหนึ่งชีวิตหนึ่งเสียแล้วเกิดอีกฟังแต่ว่าพระเจ้าท่านดูพรชาติของพระองค์เป็นกลับกับ ระลึกย้อนหลังไปว่าพระองค์เกิดตายเกิดตายเป็นกับกับเห็นแจ่มแจ้งชัดเจนเหมือนอะไรอยู่จำเพาะนั่นเห็นหมดเคยอยู่ทุกอย่างลำบากเป็นนกเป็นสัตว์เป็นปูเป็นปลาเป็นคนเป็นพระราชาเป็นพระอินทร์พระพรหมเป็นเทวราชาโนนชานียเป็นหมดมองเห็นทะลุผโผรเห็นหมดด้วยพระญาณที่เรียกว่าปุกเทนิวาสารุสจิยานแล้วเกิดความเบื่อหน่ายเนี่ยพรงเห็นพบชาติขอบพระองค์มากมายถึงขนาดนั้นมันยาวถึงขนาดนั้นนะ แต่เราก็บแต่ละชาตินะเรามีชีวิตยอยู่แค่นี้เราจะคิดว่าเรามีอายุมากมีอายุยาวร้อยปีเราเท่ากับวันหนึ่งคืนหนึ่งของเทวดาเขาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงร้อยปีเราเท่ากับวันหนึ่งคืนหนึ่งของเขาคิดดูของเราจะพยุดยาวเลยแค่เจ็ดสิบปีแปดสิบ ป, ปเีเราก็ว้างยา ว, ยาวนานเหลือเกิน เทวดายังไมถึงวันกับเพื่อนหนึ่งของเขานะถูกไหมความสุขมันแตกต่างกันความสุขทั้งหลายเหล่านี้มันแตกต่างกันได้เพราะอะไรเพราะความประพฤติของเราเราสร้างคุณสมบัติให้กับตัวเราเองเราตายแล้วเราก็ไปเกิดในฟอกภูมิที่เหมาะที่สมกับกับกรรมที่เราสร้างเราทําเพราะฉะนั้นหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าจือเป็นหลักคําสอนที่มีคุณค่าวิเศษสําหรับหัวใจของมนุษย์ผู้สร้างเนื้อสร้างตัว ผู้เห็นโทษเห็นภัยในวัฏสงสาราที่จะมาสร้างมาจัดมาทํานี่เราพูดถึงอุปาทานไปที่ให้เราไปเกิดเมื่อเกิดเป็นแล้วก็เป็นตัวตนไปเกิดในท้องแม่ทุกทรมานขนาดไหนอยู่ในท้องแม่คลอดออกมาแว่เห็นโลกสังเวยเลยแววขึ้นมา ท, าทันทีทุกทรมานร้องไห้ร่ำควรวญมาตั้งแต่เนยน้อยแหละยืนเดินนั่งนอนลมลกุลกลกุกคลานปีสองปีกว่าจะเดินได้เดินได้ขึ้นมาเริ่มรู้เดียงสาวว่าโตขึ้น หปีหกปีเจ็ดปีแปดปีเก้าปีทรมาหากินได้เองรู้จักรู้สึกนึกคิดดีใจบ้างเสียใจบ้างทุกข์ทรมานบ้า ง, ร, งร้องไห้คร่ำครวญปะปนกันอยู่นั้นน่ะเกิดขึ้นมาแล้วอ้าสังขารที่มันกรอบกอบกลุมกันแล้วมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยมันผลักดันไปเรื่อยมันผลักดันไปหา้าปีสิบปียี่สิบปี 20, ปวัยก็ไปเรื่อยไปเรื่อยไเรอพอครบวัยมันก็เริ่ม อ, อน่นลงอ่อนลงอ่อนลงอ่อนลง ในร้รมกับตายในระหว่างที่ตั้งแต่เกิดจนตายเราเสียใจเราทุกทรมานใจเราทุกทรมานกายขนาดไหนหัวใจของเราของท่านเราระลึกย้อนหลังดูเรามีความทุกข์มีความทรมานขนาดไหนเวลาความทุกข์มาทับทนหอมหัวใจเรามีความเจ็บแสบปวดร้อนมันอุดอัดลิน้นรนแทบไม่ออกถึงขนาดไหนหัวใจของเราของท่านเรารู้จักกันดีอ่า อย่าว่าแต่พวกเราอยู่ตศีษศาสาชาวนาชาวไร่เกิดในรั้วในวงังในอะไรที่ไหนก็คือกองทุกเกิดท่านอย่าคิดว่ามีเต็มแปร่ไปด้วยฟองสุขอย่างนั้นพรุทธเจ้าท่านจะออกบวชพรุทธเ จ, าจากก้าฐานะพระเจ้าจักรพรรดิท่านสละทิ้งหมดประชดบริวาไลไพร่ฟ้าประชาชน ส, สมบัติแม้แต่พระหุนพระนาบินภาเป็นพระวรชาญา เป็นพระโอรสที่พระองค์พึงพอพระทัยอย่างยิ่งพระองค์ก็สละทิ้งเพราะสิ่งเหล่านี้ยิ่งมัดเราให้เราติดจมอยู่ในกองทุกข์ไม่จบไม่สินะ้นต้องในนี้ออกไป น, นี้ออกไปสวงหาทางออกเล็ดลอดเพื่อหาทางออกแต่อันนั้นพระองค์สามารถทาได้เพราะบุญญาปรามีของพระองค์ถึง รองไม่ใช่คนธรรมดาเป็นคนสร้างบา ร, รมีเกิดภกไหนภูมิไหนชาติไหนสร้างแต่คุณงามความดีเป็นแต่ผู้นําคนยาให้คนพ้นทุกพ้นโทษให้ตัวเองพ้นทุกพ้นโทษในวัฏฏะสงสารเป็นคนเห็นทุกเห็นโทษในวัฏฏสงสารสร้างไม่หยุดไม่หย่อนสร้างยอมเจ็บยอมปวดยอมตายยอมทรมานแทนขอให้คนอื่นมีจิตใจเผื่อแผ่กว้างใหญ่ไปสารถึงขนาดนั้นสร้างบา ร, รมีแปดหมืสี่อสงไขยก็มี สี่อสงไข่แสนกับก็มีตรงพระพุทธเจ้าของเราสี่อสงไข่แสนมหากับบอกโห้สี่อสงไข่สี่อสงไข่แสนมหากับแต่ละกับแต่ละกับก็นับไม่หวัดไม่ไหวแล้วแสนมหากับอีกนอกจากแสนมหากับอีกแล้วก็อสงไข่สี่อสงไขยปุ่นโอ้ยอสงไข่แปลว่านับไม่ได้นับไม่ได้ถ้าเป็นนับหนึ่งถึงถึงร้อยถึงพันถึงแสนถึงล้านถึงโกดถึงเท่าไหร่ท่าไหรหมดตัวเลขที่จะเขียน นับไม่ได้นับไม่ได้ไกับหนึ่งกับหนึ่งเนี่ยนับไม่หวัดไม่ไหวอยู่แล้วสองไขยหนึ่งต้องสี่สงไข่โอ้ยืดยาวมากมายมหาศาลวัตตะสิ่งที่ยาวที่สุดที่ปราดบัณฑิตทันเทียบ เ, าเอาไว้ก็คือวัตตะสงสารการวนเวียนเวียนว่ายตายเกิดของคนเราเนี่ถ้าเรียกว่าวัตตะสงสารสังสาระสังสาระ ส, ง ส, ระสงสารนี่แปลว่าสังสาระ คือการท่องเที่ยวสังสาระคือการท่องเที่ยวของจิตไม่ใช่การท่องเที่ยวของอะไรการท่องเที่ยวของจิตจิตของเรามันท่องเที่ยวไปไหนมันท่องเที่ยวไปเกิดไปแกไปเจ็บแล้วตายมี Vietnam แค่นั้นแห ล, ละไปเกิดอีแล้วไปแกไปเจ็บแล้วตายไ <ver> ป yes? เกิดอีลแล้วไปแกไปเจ็บแล้วตายเกิดอีแล้วแกเจ็บแล้วก็ตายนับอย่างเนี้เรานั่งนับอย่างนี้ไปจนตาย <ver> yes? นับเท่าไรก็ไม่ครบ นับเท่าไรก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่ถึงเท่าที่ไอท้ที่เท่าที่เราผ่านมานี่คือความยืดยาวของมตฏสงสา ร, รเพราะฉะนั้นพระองค์ยังโอ้ยไม่ได้หรอกต้องสเสแสร้งเอาหนทางอะก็เลยมาช่องทางที่กําลังเล่าถึงนี่แหละเนี่ยได้อัตภาพร่างกายมาทุกลําบากกับการธรรมะกิ น, นต้องตั้งแต่เด็กๆ เ, เ, เล็กๆธรรมะกินทุกอยางลาบากกันดานบางคนก็ตายเพราะธรรมะกิน ลำบากกันดานเพราะทุกอย่างลำบากเพราะทำงานหนักทำงานเบาทำงานเสี่ยงเป็นเสียงตายบางคนก็ไปเสี่ยงเป็นเสียงตายธรรมะเห็นเพื่ออะไรเพื่อให้ได้กินได้อยู่ได้กินได้ใส่ปากใส่ท้อง น, นี่คือทุกทรมาอถการมีอาตภาพร่างกายแต่พวกเราก็อยู่อย่างแบบชินชาเราไม่รู้สึกเห็นว่าเป็นโทษอยู่ประทงังประทังไปเดี๋ยวก็ตายคิดว่าความสุขมันจะไปอยู่ที่ความตายไม่ใช่ความตายมันเป็นช่วงเปลี่ยน เปลี่ยนจากอัตภาพนี้ไปสู่อัตภาพใหม่ก็อาจะไปเกิดในท้องแมนะ่บางทีมันไม่ได้เกิดในท้องแม่เป็นมนุษย์นะไป เ, เกิดเป็นท้องแม่ของอะไรก็ไม่รู้เป็นแม่วัวแม่ควายแม่งูนกหนูปูปลาอะไรก็ไม่รู้แหลนะแล้วแต่บุญกรรมมันจะพาไป น, นี่ก็นับว่านับว่านับว่าเราเรา มีโอกาสเราได้ยินได้ฟงังได้ประสบพบเห็นเพื่อที่จะตั้งเนื้อตั้งตัวได้แต่ถ้าไม่รู้จริงๆพบฉากของเราก็จะไปอย่างนั้นจริงๆแม้แต่รู้จริงๆแต่ไม่ตั้งใจปฏิบัติประพฤติปฏิบัติตามมันก็ไปได้ยากไปไม่ได้เลยบางคนแม้แต่ศีนก็ไม่เคยตั้งใจที่จะรักษาศีนห้าจะตั้งใจรักษาครบสักวันหนึ่งก็ยังไม่เคยตั้งใจรักษาได้ตั้งใจจะรักษาครบสักอาทิตย์หนึ่งก็ไม่เคยตั้งใจได้ ตั้งใจรักษาครบสักเดือนหนึ่งเขไม่เคยตั้งใจได้ตั้งใจรักษาครบสักสามเดือนในพรรษานี่กัตั้งใจไม่ได้อยา่าอย่าคิดอย่าคิดถึงว่ารักษาเป็นนิจจะสินตลอดไปหายาคนที่ไม่เห็นทุกข์เห็นโทษในวัฏสงสารจริงๆจะไม่มีโอกาสที่จะทําอย่างนั้นได้ปานาทินาเราดูที่ทําไมเราจึงรักษาสินข้อหนึ่งปานาไม่ได้ก็เพราะอะไร ก็เพราะความอยากมันบีบคั้นเราใช่ไหมความอยากมันบีบคั้นเราต้องแสวงหาต้องทําหากินไม่มีอันนั้นกินไม่มีอันนี้กินอปู ก, กินได้ปปลากินได้ อ, อ ก, อ ก, กอบเขียดกินได้แมงกุดจงกุฎจีกินได้๊เราดูเถอะดูแล้วสลดใจทุกทรมานใจกับการที่เราต้องมาทนทุกข์มาทรมาน เพื่อเลี้ยงอัตภาพร่างกายให้อยู่เป็นภพเปลี่ยนชาติเพราะฉะนั้นท่านจึงให้สั่มรวมระมัดระวังเพื่อเข็ดเพื่อหลบับในพบในชาติเสิ่งทั้ ง, งหลายเรานี่นี่ยคือกองทุกข์พุทธเจ้าท่านทรงพิจารณาเห็นนะอะไรเป็นปัจจัยแห่งอกปาทิานก็คือตัณหาความอยากตัณหามันไม่ใช่มีอยู่ที่ตัวหนังสือนะตัวหนังสือมันไปจากใจของคนเราหลแล้วดูไปที่ใจของเ ร, เราย้อนไปในใจของเราเดี๋ยวนี้ เราจะเห็นเลยจอดูมันจนเห็นนะเราก็มาจดจอดูให้มันจนเห็นความอยากในหัวใจของเราร่างกายขยับเขยืขย่อนแต่ละครั้งเนี่ยดูมีความอยากอะไรบ้างขยับเขยื่อนไปแล้วไปเกี่ยวข้องกับงานนั้นกับงานนี้อะไรยังไงบ้างเราดูตัวความอยากไปทํานั้นไปทํานี้ไปเดินไปนั่งแล้วก็คอยดูความอยากมันแสดงออกมาแต่มันจะแสดงออกไปในแง่ของกิเลสทั้งหมด ความอยากที่เป็นไปตามอัดดรทำนั้นมันเป็นเรื่องของมรรคมันเป็นความอยากที่ประกอบไปด้วยสติประกอบไปด้วยสัมผัสัญญาก็ทําให้เราได้เปรียบธรรมแต่ถ้าเราดํารงสติดํารงสัมผััญญาของเราต่อเนื่องกันอยู่กับระบบระเบียบกับศีลกับธรรมกับบทบริกรรำภาวนานี่เราก็ได้เปรียบแต่ถ้าเราปล่อยให้จิตใจล่องลอย จิตใจลองลอยหลงเคลิมไปกับกายโอ้ยอ้วนพีขาวฟองสุขสะดวกสบายคึกขนองไปตามเรื่องของกายอะไรอะไรพายกายคึกขนองก่ากามนั่นแหละมันพายกายคึกขนองหลงคึกขนองเพลิดเพลินไปกับเรื่องของเวทนาหลงเคลิบเคลิมไปกับสัญญาสัญญามันกระซิบกระซาบมาที่หัวใจของเราทุกระยะทุกเวลาดูเราย้อนไปแล้วเราจะเห็นสัญญา รูปปัสสัญญาเราดูปฏิจัยเราเห็นไหมแอบเข้ามาเลยอ้าวมันแทรกเข้ามาแล้วจิตของเราเกาะมันแล้วเราไม่รู้นะเกาะแล้วตามไปแล้วตามหลังมันต้อยต่อยต่ยตอ ย, ตอ ย, ตอยลากเราไปแล้วล่ะตัวที่เป็นพลังงานของสัญญาที่เป็นฝักฝ่ายของกิเลกก็คือความอยากของกิเลนั อ, อะลรอยากเราไปมันลากเราไปเรื่องกามาราคะบ้างาคิดเรื่องการบ้าง คิดไปคิดมาคิดเรื่องความโกรธความเกลียดหยิบชาริษยาพยาบาทเพื่อจะแก้แค้นคนนั้นคนนี้อย่างนั้นอย่างนี้นี่มันเป็นเรื่องของกิเลสตั้งนั้นมันเป็นพิษสงของตัณหาที่มีอยู่ภายในหัวใจมันแทรกเข้ามามันยึดเอาสัญญามันแทรกเข้ามาทางสัญญากิเลสมันยึดเอาสัญญาเป็นตัวครองเราก็ต้องตามหลังมันต่อยๆสังขารมันก็ปรุงเรื่องกิเลสวิญญาณเห็นขึ้นมาก็เป็นเหตุปัจจัยให้เกิดกิเลส สัญญาเป็นปัจจัยให้เกิดกิเลสสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดกิเลสถ้าเราไม่ดำรงธรรมจริงๆแล้วจะเป็นเครื่องมือของกิเลสทั้งหมดนอกจากว่าเราเห็นสัญญาเป็นสัญญาแต่การที่จะเห็นสัญญาเป็นสัญญานั้นจะต้องเป็นจิตที่ละเอียดแล้วเป็นจิตที่ฝึกฝนอบรมแล้วสามารถเจริญสมาธิจิตมีสมาธิมีจิตใจที่ตั้งมั่นมีความสงบมีปัญญาแพรพรารู้ว่า อะไรเป็นกิเลสอะไรเป็นธรรมจึงจะรู้ว่าอันนี้เป็นสัญญาถ้าเรามองเห็นแบบนั้นก็กลายเป็นสัญญาโดยหลักธรรมชาติเพราะมันเป็นขันที่เราเรียกว่าสัญญาขันสังขารเช่นเดียวกันเห็นสัง ข, ขารมันปรุงยับปรุงดีปรุงไม่ดีแล้วก็ปล่อยมันปรุงไปปรุงดีออก็ปรุงไม่ดีออปรุงดีออปรุงไม่ดีเรารู้ว่ามันปรุงโดยที่เราไม่หลงไปกับปรุงดีกับปรุงไม่ดี ปรุงดีปั๊บความอยากมันก็ไปสวมรอยปรุงไม่ดีปั๊บความอยากมันก็ไปสวมรอยต้องมีสติรู้ว่าอดีอดียึดเอาถือเอาดารงไว้เออไม่ดีละเว้นตัดให้ขาดนี่เรารู้ว่าสัญญาเป็นสัญญาสังขารเป็นสังขารวิญญาณก็เป็นวิญญาณสักแต่ว่าหลักธรรมชาติที่เกิดขึ้นมีขึ้นเป็นนามธรรมในหัวใจของเราแต่ถ้าเราไม่ตั้งใจฝึกฝนอบรมไม่ตั้งใจภาวนาจริงเราเข้าจะ เข้ามารู้มาเข้าใจยากเพราะฉะนั้นภายใต้ความเป็นอยู่กี่ชั่วโมงเป็นวันเป็นคืนเป็นเดือนเป็นปีเราอยู่ภายใต้คนอุบายมายาของมันทั้งนั้นมันดึงเราไปทุกข์กับสิ่งเหล่านั้นดึงเราไปทุกข์กับสิ่งเหล่านี้ดึงเราไปอยากกับสิ่งเหล่านั้นความอยากนั่นแหละเป็นสาเหตุเป็นต้นต่อของกองทุกข์ของความทุกข์อยากเรื่องนั้นอยากเรื่องนี้ อ, อ, นน อ, อันนั้นก็ได้มาแล้วมีแล้วอันนี้ก็ได้มาแล้วมีแล้วอยากอันนั้นก็ได้มาแล้วมีแล้วมันอยากได้ในสิ่งที่เป็นวัตถุการมนามันอยากได้ในสิ่งในที่เป็นวัตถุกามนอกนอกนั้นมันก็อยากได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นเรื่องของกามคุณนอกจย่างนั้นแล้วสิ่งที่เป็นยอดของกามคุณทั้งหลายก็คือกามราคะนี่แหละเป็นไฟดุ่น ที่จะเรียกว่าโมหะลุ่มหลงเคลิ้มเกิดขึ้นที่ไรก็เป็นไฟสุ่มคอนอยู่ในหัวใจของเราการมาราคานมีเป็นยอดของกามอย่างอื่นมีเพราะหมดอะไรหมดแต่ยังยังจะต้องการสิ่งต่างๆเหล่านี้อีกนี่แหละคือทุกข์คือโทษของกามทั้งหลายสิ่งเล่าเรานั้นเกิดขึ้นแต่ละครั้งแต่ละครั้งนั้นพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่ากองทุกกองทุก กองทุกข์ที่ใจมันเกิดความท so so re ุกข์มันเกิดแต่ด้วยเหตุที่เราเพลินไปกับมันเนี่ยเราว่ามันสุขสุขสดิบๆิบทั้งสุกทั้งทุกข์ทั้งทุกข์ทั้งสุขแต่ถาพพุทธเจ้าท่านทรงตรัสพระสาวกพระยสาวาท่านทรงตรัสท่านว่ากองทุกข์กองทุกข์ความทุกข์เกิดขึ้นทุกขเวทนาเกิดขึ้นตั้งอยู่เดี๋วก็เปลี่ยนไปเกิดขึ้นตั้งอยู่เดี๋ยวก็เปลี่ยนไปเกิดขึ้นตั้งอยู่เดีวก็เปลี่ยนไป ใจิตใจมีความสุขมีความแช่มชื่นเบิกบา น, ก, บนกับสิ่งนู้นกับสิ่งนี้สักหน่อยหนึ่งมันเปลี่ยนไปเป็นทุกข์เป็นลาบากเป็นเดือดร้อนดีใจเพื่มใจเบาใจกับสิ่งนี้สักหน่อยหนึ่งมันมีความทุกข์อย่างหนึ่งมาแทรกมันก็สับปนเปนกันไปอยู่อย่างนี้ในหัวใจของเรานี่ด้วยอำนาจของความอยากเราได้รับกองทุกข์จากความอยากนี้ไม่จบไม่สิ้นเพราะฉะนั้นเราไปศึกษามีอุบายมีวิธีภาวนา มีหลักมีหลักปฏิบัติเราต้องพยายามยึดหลักปฏิบัตินี้ให้มากทําไม่หยุดไม่หย่อนทํามากทําน้อยทําอยู่ตลอดทําไม่หยุดไม่หย่อนหากสักวันหนึ่งเราจะได้ประสบพบเห็นคุณธรรมภายในหัวใจของเราเองไม่ประสบพบเห็นที่ไหนพบเห็นที่หัวใจของเราเองเราอ๋อที่หัวใจของเราเองอไม่สําคัญว่าเราเรายืนเราเดินเราตั้งเรานอนเรากําหนดจดจอ่อไม่ปล่อยสักวันหนึ่งเราจะ เจอดีจำได้เราจะต้องประสบพบเห็นให้ได้ตั้งความภาคความเพียรตั้งความประคับประคองหัวใจของเราให้มั่นคงอย่าปล่อยประละวางยาเห็นเป็นเรื่องไม่สําคัญเห็นเป็นสิ่งที่เราควรยึดควรถือตลอดชีวิตใจของเราแล้วก็ตั้งใจประพฤติปฏิบัติจนผลเกิดมีขึ้นโดยที่ไม่จําเป็นจะต้องถามใครไม่จำเป็นจะต้องบอกใครมันได้รับความแช่มชื่นได้รับความอบอุ่นอบอุ่นเบิกบานในหัวใจของเรา แบบแบบว่าเออเรามีความสุขเนอเรามีความสุขจากสิ่งเหล่านี้เนาเราทุกคนอุบายของมันหนอมันจะเกิดขึ้นมาได้ยังไงมันเกิดขึ้นมาด้วยวิธีใดด้วยอุบายใดของมันเราพอจะรู้เราพอจะเข้าใจเราพอจะตามไปเล่นงานงานมันได้ทุกระยะทุกเวลาให้เราตั้งใจไปพิจารณาแล้วมันจะมันจะมีผลภายในใจเพราะการทำงานเป็นการสร้างเหตุ เมื่อเราสร้างเหตุขึ้นมาแล้วมันจะต้องมีผลตามมาซึ่งเป็นเรื่องที่เราปฏิเสธไม่ได้นี่เราพูดถึงหลักว่าความอยากมันมามันเกิดขึ้นมาจากการอายตนะภายนอกอายตนะภายในคือตามันไปสัมผัสอายตนะภายนอกคือรูปตานี่ยเขาเป็นรูปนะรูปข้างนอกก็เป็นรูปพอเวลามันไปสัมผัสกันแล้วเนี่ยใจมันออกไปรู้ใจมันออกไปเห็นรูปเท่เดียววิญญาณ เพราะฉะนั้นรูปาตากับรูปไปสัมผัสกันเหมือนหินกับเหล็กมันไปสัมผัสกันแล้วมันเกิดประกายเกิดประกายเหมือนเกิดประกายไฟน่ะเหมือนเราขีดไฟแชกขีดแชกมันเกิดประกายไฟเห็นไหมคนฉลาดเขาทําเป็นไฟแชกไฟไฟแชกแก๊สน่นนะเห็นไหมพอขีดไปป้ามือกดไว้แก๊ตออกมาไฟมันก็กินแก๊ตติดชู่เป็นไฟขึ้นมาเห็นไหม เราบดวงนี้เป็นข้ออ um ุปมาว่าความลึกคิดกิเลสตัณหาของคนเราที่จะเกิดข like ึ้นมันเกิดขึ้นจากการสัมผัสสัมพันธ์กันเหมือนไฟประไกไฟที่เกิดขึ้นจากการสัมผัสระหว่างเหล็กกับหินฉันั้นสาะสิ่งอื่นที่จะมาจับต่อเนื่องไปอีกเหมือนกับตัณหามันมาจับต่อไปอีกฝ่าทานมันมาจับต่อไปอีกมันก็เกิดในใจดวงเดียวนั่นแหละแต่มันเป็นกิริยาอาการของมันเป็นช่วงเป็นช่วงเป็นช่วงมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยส่งต่อกันและกัน อย่างต่อเนื่องมาอยู่อย่างนั้นแหละอันนี้แหละคือดึงกระแสของธรรมถ้าเราพริจารณาไปตามแนวนี้ตามแถวนี้ตามกระแสนี้เป็นการพริจารณาอย่างมีเหตุมีผลมีปัจจัยเราจะพิจารณาเพื่อความสงบก็ตามเราจะพิจารณาเพื่อเกิดปัญญารู้แต่ฐานเพื่อความสงบเพื่อความสงบสงบสงจากกิเลสที่มันจะคุณแสดงมาในหัวใจก็ตามตรงนี้เป็น เป็นชัยเป็นสมรภูมิเป็นเส้นงานเป็นสายงานเป็นที่เป็นปฏิปทาที่วควรยึดควรถือให้ติดแนบอยู่กับจิตใจของเราของท่านนะเราได้ยินแล้วฟังแล้วก็เอาไปที่จะ น, นาได้ดัวนะโอ้คนตกหนักเลยเนี่ยฝนตกหนักเสียงลั่นฟังมันได้ยินแล้วนะฟังมัได้ยินแล้ว เอาเลิกแค่นี้ครับพุทิโอ้ครับอะไรกับอะไรฮ่าเอาับได้โอ้โอ้ขนหนักขนาดเลยนะ เอาแค่นี้พอ <laughs>